เต็บตัวลกลมกลาบพระหังสมมาสมพุทธว่าภาควาพระภูมิพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดาเปลืองกิเลสเปลองทุกสิ้นเชิง ไดสารู้จบได้โดยพระองค์เองอุทางพระควันตังอภิวาเดมิอาบัจจาวาภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวงคา พระธรรมเป็นธรรมที ah ami, ่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมนามาสามีธรระเจ้านามาสการพระธรรมสุปาติปนโน อควาโดะสาวกสังโฆพระสงสาวกของพระผู้มีพระภาคาจาปฏิบัติดีแล้วสังขังนะมามีข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ นามยังบุไดสาะวโปุปพาขณะมักกรังการมะเสีนนามอันดาสาพะขาวโอระสัมมาสัมบุไดสานามอันดาสาพะขาวโ สมมาสมบดาสะนโม阿达萨巴าวัตอาระตัสมมาสมบดาสะออนอบน้อมแด่พระผู้มีพระพเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไรจ า, ากิเลศ ราสรู้จบได้โดยพระองค์เองเปดิดงสิอไปหน้าสิบเอ็ดทับวัดยินอนทะมัยยังพุทธานุสตินยังกะโรมะเส จางโคบานาภาขวันตังเอวะกันละยานยะะะโนอิกิติสโทัวอาภูคาโวะกอกิติสาบอันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้ฟุงไปแล้วอย่างนีว่า อิท e so ิปิโสปะขาวาพระเหตุอย่างนี uh ้อย่างนี้พระภูมิพระภากเจ้าน uh ั้นอารามเป็นผู้ไรจากิเลสสามมาสามพุทโะเป็นผู้ไรสรุชอบได้โดยพระองค์เอง วิชาจารณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณาสุขาโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดี โลกวิถีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง <c oughs> <c oughs> บุริสัธรรมสหราติเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า สาธานดวามนุษานังกส <c oughs> อนของเหวดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้ทวเป็นผู้รู้ผู้จ่นผู้เมึกบานด้วยธรรมพระขวาติเป็นผู้มีความจำเรินจำแนกธรรมสังสอนศาส ดังน <ang> ี้ <N ik>